น, นี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านได้มีเวลาหยุดการทำงานทำการจึงได้ใช้เวลาของวันหยุดนี้ให้เกิดคุณประโยชน์ ด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะนำมาไปใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความหลง ความโง่เขาเบาปัญญานั่นเองปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้ <c oughs> มีอยู่สามขั้นด้วยกัน <c oughs> เหมือนกับการศึกษาทางโลกการศึกษาทางโลกก็มีเป็นขั้นขั้นเช่น <c oughs> ขั้นอนุบาลขั้นประถมขั้นมัธยม <c oughs> แล้วก็ขั้นอุดมศึกษา ตื่นขั้นระดับปริญญาความรู้ก็จะมีความเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับของการได้ศึกษาของแต่ละขั้นปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีสามขั้นด้วยกันที่ผู้ศึกษาที่ต้องการจะนำเอาปัญญา ของทางพระพุทธศาสนานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของตนคือนำเอาไปดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจจำเป็นที่จะต้องศึกษาตั้เรียนเป็นขั้นที่หนึ่ง ปัญญาขั้นที่หนึ่งนี้มีชื่อว่าสุตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าหรือได้ศึกษาได้อ่านพระสูตรต่างๆพระสูตรนี้ก็คือกันเทศที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆ อันนี้ข้อที่หนึ่งปัญญาขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตมะยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเบ mm ื hmm. ้องต้นเราต้องอาศัยสุตมะยปัญญาเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ mm hmm. ถ้าเราอยากจะรู้ความจริงที่พระเจ้าได้ทรงรู้ที่พระเจ้าได้รู้และได้นำออกไปใช้ ในการกำจัดความทุกข์ของพระองค์เราก็ต้องศึกษาพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้า <c oughs> เรียกว่าสุดตะมยปัญญาขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตะมยปัญญาปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญาจินตานี้จินตานี้ก็แปลว่าความนึกคิดน าาการพิจารณาการพิจารณาให้เกิดปัญญาคือเวลาที่เราฟังทำแล้วถ้าเราไม่เอามาพิจารณาเอามาคิดอยู่เรื่อยๆปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมาก็อาจจะจางหายไปได้เพราะว่าใจของเรานี้ต้องไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ตลอดเวลาเรารับรู้เรื่องราวตอนนี้เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็ไปรับรู้เรื่องราวต่อเรามีเรื่องอะไรที่เข้ามาให้เรารับรู้นี่ตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วเรื่องราวที่เข้ามาใหม่ๆมาทีหลังมันก็จะมากลบเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังได้รู้ในก่อนหน้านี้ แล้วถ้าเราไม่เอาเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังนี้เอามานึกคิดอยู่เรื่อยๆเรื่องราวใหม่ๆก็จะมากบไปแล้วก็จะทำให้เราจำไม่ได้เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราอาจจะจำได้บางเรื่องบางบางบางอย่างแต่เราอาจจะจำไม่ได้ทุกเรื่องเพราะเราไม่ได้เอามาคิดอยู่เรื่อยๆ เช่นเมื่อวานนี้เรากินอาหารอะไรมื้อเช้ากินอาหารอะไรกินที่ไหนมื้อกลางวันมื้อเย็นเนี่ยบางทีเราอาจจะจาไม่ได้ลรวก็ได้เพราะว่าเราไม่เราไม่ไดเอามาคิดมันเรามีเรื่องอื่นให้เราคิดกันมีเรื่องเข้ามาให้เราคิดอยู่กันทั้งวันทั้งคืนพอเรื่องที่ได เราได้ยินได้ฟังได้ได้รับรู้แล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็อาจจะจางหายไปจากความจําของเราก็ได้ฉันั้นวิธีที่จะทําให้เราไม่หลงลืมสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการฟังเทศฟังธรรมจากการศึกษาพระธรรมคําสอนก็คือหลังจากนั้นเราก็ต้องเอามาคิดถึง ทำสอนอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่หลงใช้ท่านเรียกว่าให้พิจารณาอยู่เนืองเนืองอันนี้เป็นจินตามายะปัญญาปัญญาขั้นที่สองมีไว้เพื่อรักษาสุตตมายะปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาไม่ให้จางหายไปจากใจ ก็เหมือนกับการที่เวลาเราไปเรียนหนังสือเราเข้าห้องเรียนครูอาจารย์ก็สอนวิชาต่างๆเสร็จแล้วครูอาจารย์นั้นท่านรู้ว่าถ้าเราไม่เอามาทบทวนมาพิจารณาเราก็จะลืมได้ครูอาจารย์ท่านก็เลยให้การบ้านมาทํากลับบ้านแล้วเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วกลับบ้านอย่างต้อง้องมาทําการบ้านอีก การบ้านก็คือเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้ในวันนั้นมาทบทวนใหม่ด้วยการมาตอบคำถามที่ครูอาจารย์ตั้งคำถามไว้ให้เพื่อที่เราจะได้เอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้ในวันนั้นมาตอบคำถามอีกทีหนึ่งเป็นการทําการบ้านเพื่อทบทวนความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาบรรดาที่เราอยู่ในห้องเรียน อันนี้เรียกว่าจินตามัจปัญญาปัญญาทั้งสองขั้นนี้คือขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองนี้ยังไม่สามารถนำอาไปกำจัดความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงอาจจะกำจัดได้บ้างทำให้ความทุกข์ที่เคยมีอยู่นั้นเบาบางลงไปบ้าง แต่ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้จำเป็นที่จะต้องมีปัญญาขั้นที่สามมาเป็นผู้กำจัดปัญญาขั้นที่สามมีชื่อว่าภาวนาไมายะปัญญาภาวนาก็คือการฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบ ให้มีอุเบกขา<น>เรียกว่าภาวนาปัญญาก็คือปัญญาที่เราได้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้พิจารณาอยู่นเนืองเมืองนีนน้มารวมกันคือมารวมกันเป็นสองส่วนส่วนที่เราได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังได้พิจารณามาประกบกับ จิที่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้ตั้งอยู่ในความสงบให้มีอุเบกขาเรียกว่าภาวนาสมถะภาวนานั่นเองสมถะภาวนาแล้วก็เอาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังได้ทบทวนนี้มาใช้ควบคู่กับจิตที่มีภาวนามีสมาธิมีความสงบมีอุเบกขา ก็จะกลายเป็นวิปัสนาภาวนาไปภาวนาเมายปัญญาก็คือวิปัสนาภาวนานี่เองนี่คือขั้นที่สามปัญญาขั้นที่สามนี่แหละจะเป็นปัญญาที่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือเรื่องของ ปัญญาที่เราจะต้องเรียนรู้ปัญญาแต่ละชนิดแล้วเราก็จะได้เอามาใส่ใจของเราเพื่อเราที่เพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ในการดับความทุกข์ใจของเรานั่นเองเนี่ยเรามาฟังเทศฟังธรรมกันนี่ ฟังเพื่อให้เราเรียนรู้ว่าความจริงของชีวิตของเรานี้มีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้พระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องรู้ความจริงของร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเรานี้เป็นอย่างไรร่างกายของพวกเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว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 แล้วก็ต้องไปประสบกับเหตุการณ์หรือคนที่เราไม่ปรารถนานี่คือความเป็นจริงของชีวิตของพวกเราที่เราควรจะเรียนรู้กันอันนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาของชีวิตเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราว่าพวกเราทุกคนเกิดมาแล้วนี่เราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้กันทุกคนหลีเกเลี่ยงไม่ได้ ต้องเจอความแก่ต้องเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเจอความตายต้องเจอการทัดพากจากสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบแล้วจะต้องเจอกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เราไม่ปรารถนาที่เราไม่ชอบที่เราไม่อยากพบไม่อยากเจอแต่ก็ต้องเจอ <c oughs> แล้วเวลาที่เราเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้อะไรเกิดขึ้นในใจของเราเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราก็คือความทุกข์ใจนี่เวลาเราเจอความแก่เราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเราเจอความตายนี่เราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ความทุกข์ใจเหล่านี้ที่เกิดจากการไปสัมผัสรับรู้เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของการพัดพรากจากกานันนี้เป็นความทุกข์ที่เราสามารถใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเจริญให้สร้างขึ้นมานี้เอามากําจัดเอามาดับความทุกข์ทางใจได้ <c oughs> เบื้องต้นเราต้องศึกษา เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเรื่องการพัดคจากกันเรื่องการประสบกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ปรารถนา<ม>ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราห้ามไม่ได้ ม, มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว<ม>ตอนนี้เวลาที่เราได้ยินได้ฟังครั้งแรกนี้ เราก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเลยพอได้ยินคำว่าแก่ได้ยินคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยได้ยินคาว่าตายได้ยินคำว่าต้องพัดพาคจากกันเลยใจของเราถ้ายังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมไม่ได้รับการพร่ำสอนให้เห็นความจริงและให้ยอมรับความจริงได้ <c oughs> ใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, ทันทีแล้วถ้าเราไม่ได้มาศึกษากับพระพุทธศาสนาคนที่ไม่ได้ศึกษากับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พอไปเห็นหรือไปสัมผัส ร, รับรู้กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของการพัดพาคจากกานันนี้จะไม่อยากที่จะ รับรู้ไม่อยากที่จะคิดถึงมันถึงกับถือว่าเป็นเรื่องอับประมงคนเวลาที่ใครมาพูดถึงความตายหรือพูดถึงเรื่องการพาดัดพากจ า, ากกันนี้เขาหาว่ามาเอาสิ่งที่เป็นอับประมงคนในสังคมของคนทางโลกที่ไม่ได้ศึกษาพราะธรรมค ำ, ำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้จะ ไม่ไม่ยอมรับความจริงของชีวิตไม่ยอมรับว่าชีวิตของพวกเราทุกคนนี้จะต้องสิ้นสุดลงวันใดวันหนึ่งและก่อนที่จะสิ้นสุดลงก็ต้องจะต้องเจอความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสำหรับบางบางรายบางคนก็อาจจะไม่ทันแก่ไม่ทันเจ็บก็มีหรือถ้าเจ็บก็เจ็บแบบ ป, ปุบ๊บปั๊บเช่นไปประสบอุบัติเหตุ ลถความตายอย่างนี้เป็นต้นก็เจ็บในขณะที่เจออุบัติเหตุแล้วก็หลังจากนั้นก็ตายไปทันทีนี่คือเรื่องราวที่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนจะไม่อยากคิดกันจะไม่ชอบคิดกันไม่ยอมรับรู้กันแล้วเมื่อไม่มีการรับรู้นี้มันก็จะทําให้ใจขาด ปัญญาที่จะเอามารักษาป้องกันใจไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เพราะการที่จะทำให้ใจนี้ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็คือจะต้องทำให้ใจยอมรับความจริงเหล่านี้ให้ได้ยอมรับว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ดีอย่างหนึ่งถ้าได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็คือ พระเจ้าจะสอนให้เรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรไปใจที่ทุกข์ไปกับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่สิ่งที่เรียกว่าปัญญาทาง พ, พุทธศาสนาความจริงสัจธรรมความจริงของชีวิต ไม่มีใครในโลกนี้อยากจะรับรู้กันทางโลกนี้จะไม่มีการสอนเรื่องศสตจธรรมของชีวิตไม่ว่าจะไปเรียนวิชาแขนงใดในสถาบันการศึกษาที่ไหนก็ตามจะไม่สอนเรื่องความแก่ความเจ็บความตายจะไม่สอนเรื่องการพัดพากจากกันและจะไม่สอนวิธีที่จะทำให้ ใจนี้ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้กันพระพุทธศาสนานี้เป็นสถาบันที่สอนให้เรารู้จักที่จะดับความทุกข์ของเราที่เกิดจากการที่ได้ไปสัมผัสรับรู้เรื่เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ไม่มีสถาบันไหนสอนวิธีการดับความทุกข์ใจ มีสถาบันพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นเองที่สอนแล้วก็ให้สอนให้เรามีปัญญาสามขั้นด้วยกันปัญญาขั้นที่หนึ่งก็ไปเรียนรู้สัจธรรมของของชีวิตจากพระพุทธเจ้าสัจธรรมของชีวิตความจริงของชีวิตของพวกเราก็คือร่างกายของพวกเรานี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป แล้วสิ่งที่เราควรที่จะทําต่อจากนั้นหลังจากที่เราได้รับรู้ความจริงอันนี้แล้วเราก็ต้องเอามาพิจารณาอยู่เนืองเนืองเอามาคิดอยู่เรื่อยๆมาทบทวนความจาอย่าปล่อยให้มันลืมไปถ้าเราไม่คิดถึงมันเดี๋ยวเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย มันก็จะหายไปจากใจเราก็จะลืมไปเราก็จะลืมว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเ <c oughs> มื่อเราลืมเราก็จะไม่มาสนใจกับการที่จะแก้ปัญหาเวลาที่ใจเราไปเจอความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย <c oughs> แล้วเราก็จะทุกข์เวลาที่เราต้องไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ถ้าเราเอามาพัฒนาความรู้ที่เราเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าว่าร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพาคจากกันเรามาคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเวลา เห็ร่างกายเราทีไรก็บอกเออร่างกายนี้เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะ<ม>แล้วเวลาเจอคนนั้นคนนี้ก็ต้องพิจารณาว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องพัดภาคจากกัน<ม>เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอด<ม>เพราะชีวิตนี้คือความจริงของชีวิต<ม>แต่เราไม่ต้องทุกข์กับความจริงเหล่านี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ถึงแม่ร่างกายจะตายถึงแม้ว่าเราจะพลาดาจากคนนั้นคนนี้ไปแต่ใจเรายังอยู่และใจเรายังอยู่ได้อย่างที่ไม่มีความทุกข์ได้ใจจะอยู่ได้อย่างไม่มีความทุกข์ก็ต้องอยู่ด้วยความสงบนั่นเองนี่ก็คือเหตุที่จะทำให้เราต้องไปเจริญปัญญาขั้นที่สาม ทือขั้นภาวนามยปัญญาขั้นที่หนึ่งให้เราเรียนรู้ความจริงของชีวิตของเราว่าพวกเราทุกคนที่เกิดมาแล้วที่มีร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันพอเราเรียนรู้ได้ยินได้ฟังสัจธรรมความจริงอันนี้แล้วเราก็ต้องเอามาสอนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืม การสอนใจใน เ, เรื่องเรื่องว่าเป็นการเจริญจินตาเมย์ปัญญานี่ดังที่พระเจ้าสอนสอนว่าให้เราได้พิจารณาอยู่เนืองเนืออย่างนี้แลว่าร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ต้องพัดทาาจากกันต้องพบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ให้เรานําเอาความจริงอันนี้มาทบทวนมาพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้หลืมนั่นเองให้เราจําได้ทุกวันทุกเวลาเลยขึ้มา น, นี้เราต้องรู้แล้วว่าร่างกายของเรานี้่ะจะต้องเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเรื่อยๆอเหมือนกับสายพานที่เขาใช้ส่งสิ่งของในโกดังนึง เขาใช้เอาไม่แทนที่จะเอาคนแบกของต่างๆเพราะว่าเอาของที่ตั้งไม่บนสายพานแล้วสายพานมันก็จะเดินไปวิ่งไปของที่ตั้งอยู่บนสายพานพอมันถึงจุดหมายปลายทางมันก็ตกลงไปที่นึ่งชีวิตของเราก็เหมือนอยู่บนสายพานหรือจะเรียกว่าอยู่บนลำห้วยลำทานก็ได้ํำน้ำก็ได้ ที่ไหลไปเรื่อยๆตอนนั้นที่สุดก็จะถึงถึงน้ำตกเป็นที่น้ำที่น้ำสิ้นสุดลงน้าก็จะตกกลายเป็นน้ำตกลงไป ช, ชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้อย่าหลงอย่าลืมเพราะว่าเราต้องมาทําการบ้านการมาเตรียมตัวกันถ้าเราไม่อยากจะทุกเวลาที่เราจะต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้ เราต้องทำการบ้านการเอามาคิดอยู่บ่อยๆนี้เรียกว่าเป็นการทำาการบ้านแล้วก็มามาฝึกฝนจิตใจให้สงบให้นิ่งให้เฉยเพราะถ้าเรามีจิตใจที่สงบที่นิ่งที่เฉยแล้วเวลาที่เราต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตาย เกี่ยวกับการสูญเสียพลาพลาดต่างๆนี้ใจเราจะไม่ทุกข์ได้ที่ใจเราทุกข์กันก็เพราะว่าใจเราไม่เฉยใจเรายังมีความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ที่เป็นตัวที่ทําให้ใจของเราทุกข์กันความแก่ความเจ็บความตายนี้มันไม่ได้ทําให้ใจทุกข์ตัวที่ทําให้ใจทุกข์นี้พระเจ้าบอกว่า ก็จากความอยากของใจเองอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพากจากไม่ไม่ไม่พัดพ า, จากพพาจากกัน <S <S 1> <S 1> แต่ความจริงของชีวิตก็คือไม่มีใครไปยับยั้งความจริงอันนี้ได้ไปเปลี่ยนความจริงอันนี้ได้ร่างกายของคนทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย และเมื่อตายก็ต้องมีการทัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดา mm hmm. สิ่งที่ใจจะต้องทำก็คือต้องหยุดความอยากนี้ให้ได้ mm hmm. หยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตาย mm hmm. และการที่จะหยุดได้ก็ต้องทำใจให้นิ่งให้สงบ mm hmm. ให้เป็นสมาธิให้เป็นฌานขึ้นมา mm hmm. ให้มีอุเบกขา mm hmm. เพื่อวางเฉยอยู่เฉยๆได้ mm hmm. การฝึกจิตใจด้วยการบำเพ็ญจิตตะภาวนาคือส ม, มถะภาวนานี้ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในขบวนการของการเจริญปัญญาขั้นที่สามถ้าใจไม่สงบใจไม่มีอุเบกานี่ปัญญาขั้นที่สามนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้จะได้แต่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สอง ซึ่งขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความทุกข์ได้อาจจะทำให้ความทุกข์ใจนี้เบาบางลงได้ตอนต้นที่เราศึกษาใหม่ๆพอเราได้ยินได้ฟังเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี้ใจเราอาจจะเกิดความรู้สึกขกรธกิทํวามรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเราต้องเอามา ทําสอนใจอยู่เรื่อยๆเจรินใจอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เวลาใจของเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วใจของเราจะได้เริ่มยอมรับความจริงนี้ได้การยอมรับความจริงก็เป็นการหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เองทางที่เราถ้าเราไม่ยอมรับความจริงก็แสดงว่าเรานี่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมากไม่ยอมรับความจริง เมื่อไม่ยอมรับความจริงก็ไม่ยอมไม่อยากจะไปคิดถึงมันพยายามลืมมันไปเวลาเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้เจ้าเจอเรื่องคนคนตายนี่ก็พยายามที่จะ อ, อหนีไม่อยากจะไปบางคนก็ไม่อยากจะไปงานศพไปงานศพแล้วทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาบางคนก็อ้างว่าเนี่ยไปงานศพแล้วไม่สบายทุกที อันยิ่งไม่ใช่สบายที่ร่างกายหรอกมันไม่สบายที่ใจเพราะใจนี้มีความต่อต้านความจริงอันนี้ต่อต้านความตายไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมเห็นความจริงไม่กล้า ด, ดูความจริงพอเห็นความจริงแล้วมันทำให้เศร้าโศกเสียใจทำให้มีความรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเป็นประเภทนี้แล้วก็จะยากต่อการที่จะแก้ปัญหาได้ ยากต่อการที่เราจะดับความทุกข์ใจของเราได้คนที่อยากจะดับความทุกข์ใจนี้ต้องเป็นคนที่กล้าหานที่จะกล้าเผชิญกับความจริงความจริงเป็นของไม่ตายความจริงไม่เป็นของอันตรายต่อจิตใจความไม่จริงหรือความไม่รับรู้ความจริงนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวที่จะมาเป็นภัยต่อจิตใจจะเป็นตัวที่ เวลาไปเจอความจริงแล้วมันจะมันจะเกิดความอยากให้ความจริงนั้นหายไปหรือเปลี่ยนไปซึ่งมันก็ทำไม่ได้พอมันอยากแล้วมันอยากให้ความจริงนี้มันไม่เป็นอย่างที่เป็นมันก็เลยเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาคนบางคนเวลาเสียคนรักไปนี่นานหลายเดือนหลายปีก็ยังไม่ยังไม่หายจากการเศร้าโศกเสียใจ เพราะว่ายัางยังอยากที่จะให้คนที่จากไปนี้กลับมาอยู่กับตนอยู่เหมือนตอนที่ยังไม่ตายนี่ก็คือประเภทของคนที่ไม่ยอมมองความจริงไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมคิดถึงความจริงอยู่เรื่อยๆเป้าหมายของการพิจารณาอยู่เรื่อยๆคือจินตามมจยปัญญานี้ก็คือพยายามสอนใจให้ยอมรับความจริง ในระดับหนึ่งให้ได้ก็อย่างน้อยเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะได้ไม่รุนแรงแลวถ้าอยากจะให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่ต้องเจอกับสัจธรรมความจริงของชีวิตนี้ไม่ให้เกิดขึ้นเลยไม่ให้มีความทุกข์เลยก็ต้องไปสร้างภาวนามายาปัญญาขึ้นมาก็คกือไปสร้าง การภาวนาทำใจให้ใจสงบนิ่งให้ใจอยู่เฉยๆมีอุเบกขาเวลาที่เผชิญกับความจริงเช่นความแก่ความเจ็บความตายถ้าใจสามารถนิ่งอยู่เฉยๆได้มีอุเบกขาใจก็จะไม่ทุกข์เลยเพราะว่าอุเบกขานี่แหละจะเป็นตัวที่จะกั้น หรือห้ามไม่ให้เกิดตันหาความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้มันหยุดด้วยกำลังของสมาธิมันหยุดด้วยกำลังของอุเบกขาดังนั้นการที่เราจะเอาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังที่เราได้ทบทวนได้จดได้จำนี้เอามาใช้ <c oughs> ดับความทุกข์ใจเราต้องมีการภาวนา มีสมถะภาวนาก็คือมีการฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้นิ่งเฉยให้ได้ถ้าเรามีอุเบกขานิ่งเฉยได้แล้วถ้าเรามีปัญญาสอนใจให้เรายอมรับความจริงว่าร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องมีการพัดภากจากกันและกันไป ถ้าเรามีปัญญาแล้วมีสมถะภาวนาเราก็จะมีภาวนามายะปัญญาอพอเรามีภาวนาไมายะปัญญาแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นมากับร่างกายของเรานี้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์ใจของเราก็จะเฉยๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ผู้ที่หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บเาัา ตายความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้นี้ก็จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าพระโสดาบันนี้พระโสดาบันนี้ท่านจะมีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาเป็นเป็น เป็นสิ่งที่ทามาจากธาตุสี่กดินน้ำนมไฟไม่มีตัวตนไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้ค้นหาตัวตนในร่างกายนี้จะไม่พบยจะพบแต่อาการสามสิบสองจะพบแต่ขนผมขนและวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอะไรต่างๆเหล่านี้ ยังไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายอันนี้ผู้ที่เจริญปัญญาพิจารณาร่างกายเพื่อหนึ่งให้เห็นความไม่เที่ยงว่ามันต้องเกิดเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสองให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันไมเน่เป็นอาการสามสิบสองเท่านั้นเองใจที่มาครอบครองนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าโลกทิพย์ เพลงจะส่งกระแสรัรบรู้ทางทางวิญญาณทางตาหูจมูกนิ้นกายนะกระแส ร, รับรู้ที่มารับรูปเสียงกลิ่นรสผลต พ, พะให้ใจรับรู้นี้เรียกว่าวิญญาณในขันหนะ้ามีวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางทางจมูกทางลิ้นทางกายเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสผลต พ, พะที่เข้ามาสัมผัส ใจนี้รับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านกระแสรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณใจไม่ได้อยู่ในร่างกายร่างกายนี้ไม่มีใจเวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่ได้ศึกษาได้พิจารณาและสามารถที่จะทำใจให้เฉยกับเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปได้ร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์กับความแก่ ร่างกายเจ็บก็ไม่ทุกข์เพราะเฉยเพราะไม่ได้มีความอยากให้ไม่เจ็บเพราะรู้ว่าความอยากไม่ให้เจ็บนี้จะทำให้ใจทุกข์แล้วก็ไม่ได้ไปลบล้างความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมเช่นเดียวกับความตายเราไม่สามารถไปลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้แต่เราสามารถลบล้างความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ ด้วยการฝึกจิตใจให้มีความนิ่งความสงบให้วางเฉยให้ได้แล้วก็สอนใจให้ให้เห็นความจริงของร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาห้ามมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มันเป็นความจริงของชีวิตของร่างกายนี้อนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีสองสองอย่างด้วยกันเราก็จะได้มีภาวนามายปัญญา เวลาต้องมีปัญญาคือเห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดามันไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายอันนี้มันเป็นดินน้ำนมทร ม, มาจากดินน้ำนมไฟเป็นอาการสามสิบสองไม่มีตัวไม่มีตนใจ ใจที่มาครอบครองนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้อยู่ในร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจก็ยังใจก็ยังเป็นใจอยู่เหมือนเดิมใจนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของร่างกายอันนี้คือการเห็นด้วยปัญญาแล้วก็เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วก็ต้องมีใจที่นิ่งเฉยมีโอเบกขาปล่อยวางร่างกาย ถ้ามีอุเบกขาก็จะปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันใจก็จะไม่ทุกข์คนที่บรรลุละละวางร่างกายแล้วความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้นี้ก็จะไม่มีความทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายไปคนที่จะละ ความทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยด้วยสมาธิและด้วยปัญญาคือด้วยการด้วยภาวนามายปัญญานี้ก็จะเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้ววิธีการที่จะพิสูจน์ว่าละได้หรือไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องไปทำข้อสอบกันเบื้องต้นเราก็ศึกษาเรียนรู้ความจริงทำการบ้านไปก่อนมาร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ใจไปทุกเพราะใจอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองดังั้นถ้าเราอยากจะพิสูจน์ว่าเราสามารถหยุดความอยากของใจที่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่เราก็ต้องไปพิสูจน์ไปทําข้อสอบเรื่องของความเจ็บเราก็ต้องนั่งสมาธิไป จนการาจะเกิดอาการเจ็บปวดของร่างกายขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัญญาที่เราได้เรียนรู้ว่าความเจ็บปวดของร่างกายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้เรากล ไ, ไปกาจัดมันไม่ได้แต่เราสามารถหยุดความทุกข์ใจทุกของเราทุกของใจที่ไปทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายได้ด้วยการหยุดความอยาก อยากให้ความเจ็บไายได้ป่วยหายไปความเจ็บไายความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์มไม่ใช่ความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายถ้าใจมีปัญญาและใจมีอุเบกขามีสมาธิเวลานั่งแล้วเจ็บใจก็จะนั่งเฉยๆได้มไม่ต้องขยับปล่อยให้ความเจ็บของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเองได้ถ้าสามารถทำได้ ก็จะไม่มีความกลัวความเจ็บอีกต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งไปต้องไปผ่าตัดต้องไปฉายแสงต้องไปฉีดคเโมหรืออะไรต่างๆนี้ใจก็ไม่ทุก์ไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้หรือบางทีก็จะไม่อยากจะยุ่งยากกับการรักษาก็ได้ปล่อยให้มันอยู่ของมันไปตามธรรมชาติ ถ้ามันเป็นก็มันเป็นขึ้นมาเองได้ถ้ามันจะหายเองก็ถ้ามันจะหายมันก็หายเองได้ถ้ามันจะไม่หายมันจะตายก็ให้มันตายไปเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วถึงแม้จะรักษาให้หายในวันนี้เดี๋ยวไม่กี่เดือนกี่ปีข้างหน้ามันก็กลับมาเป็นอีกหรือไม่เช่นนั้นมันก็อาจจะต้องตายด้วยวิธีอื่นด้วยโรคอื่นอยู่ดีคนที่พิจารณาความจริงของร่างกายแล้วนี้ บางทีก็อาจจะไม่ค่อยสนใจกับการดูแลรักษาพยาบาลแต่การรักษาพยาบาลนี้เป็นการยุ่งยากเป็นการสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับร่างกายมากกว่าที่จะไปแก้ปัญหาก็ปล่อยให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปใจที่มีภาวนามายปัญญาลท่านี้ ยอมรับความแก่ได้ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ยอมรับความตายได้แล้วก็มีอุเบกขาเล่งเฉยหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ใจก็จะไม่ทุกเวลาที่ร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตายได้มันต้องเจอเหตุการณ์จริงๆถึงจะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเหมือนกับการเข้าห้องสอบเวลาทําการบ้านนี่มัน มันยังไม่ได้เป็นเรื่องจริงเพราะเรายังสามารถเปิดหนังสือดูหาหาคำตอบจากหนังสือได้แต่เวลาเราเข้าห้องสอบนี้ครูอาจารย์เขาไม่ให้เราเอาหนังสือเข้าไปเขาจะทดสอบความจาของเราความรู้ของเราว่าเราจาได้หรือไม่อันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราจะต้องทำข้อสอบทางของชีวิตสัธรรมของชีวิตเราต้องเจอของจริงหรือของที่คล้ายๆกับของ ของจริงเช่นความตายนี้เราต้องไปอยู่ในที่ที่มันท้าท้าความเป็นความตายเช่นไปอยู่ในที่ที่ในป่าที่อาจจะมีสิงสารสัตว์ที่อาจจะเข้ามาทําร้ายชีวิตเราก็ได้แล้วเราลองไปอยู่ที่นั่นดูแล้วถ้าเกิดเราไปเจอหรือไปคิดว่ากําลังมีสัตว์หรืออะไรเข้ามาจะทําร้ายชีวิตเรา เราดูซิว่าเราจะทําใจให้เราเฉยได้หรือไม่ว่าอะไรจะมาสิงสาระสัตว์อะไรจะมาเสือสิงกระทิงแลรดหรืองูอะไรจะมาทําร้ายชีวิตเราเรายอมรับได้หรือไม่เราปล่อยให้มันตายได้หรือไม่เวลาที่เราเกิดความกลัวสุดขีดนี้เราจะรู้ว่าเรายอมหรือไม่ยอมถ้าเรายอมตายแล้วความกลัวมันจะหายไป ถ้าเรายอมรับความจริงแต่การจะยอมรับความจริงได้นี้ใจเราต้องนิ่งเฉยให้ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีโอเบขานี้เวลาเกิดความกลัวแล้วมันจะโกยมากกว่ามันจะวิ่งหนีตรงไหนที่มีมีเหตุการณ์ที่ทาให้เรารู้สึกว่าจะเป็นภัยกับเรานี่เราจะไม่อยู่ตรงนั้นละเราจะวิ่งหนีกันถ้าเรายังยังเรายังไม่มีโอเบขาไม่มีสมาธิยังมีความอยากไม่ตายอยู่ ยังมีความอยากอยู่เราก็จะหนีแต่ถ้าเรามีปัญญาเราเรารู้ว่าหนียังไงก็ไม่พ้นความตายหนีไปวันนี้ไม่ตายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตายอยู่ดีชีวิตนี้มันจะต้องสิ้นสุดลงที่ความตายอย่างแน่นอนไม่ช้าหรือเร็วเย่างถ้ามันจะสิ้นสุดในวันนี้ก็ปล่อยให้มันสิ้นสุดดีกว่าอยู่แบบทุกข์อยู่แบบกลัวดีกว่าอยู่แบบไม่กลัวความตายดีกว่านี่คือการพิสูจน์ ว่าเรามีภาวนามยะปัญญาหรือเปล่าเราเห็นความจริงของร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเรามีกำลังจิตที่จะยับยั้งความความกลัวได้หรือเปล่ายับยั้งความอยากยับยั้งความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้หรือเปล่าถ้าเรายับยั้งความอยากได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดใจเราก็จะอยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้โดยไม่รู้สึก เดือดร้อนใจแต่อย่างใดเพราะความเป็นจริงแล้วร่างกายกับใจก็เป็นคนละคนกันนั่นเองร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายร่างกายเจ็บใจไม่ได้เจ็บอันนี้แหละคือเรื่องของการใช้ปัญญาขั้นที่สามปัญญาขั้นที่ึงขั้นที่สองนี้ยังไม่มีภาวนายังไม่ได้ฝึกสมาธิยังไม่ได้ทาใจให้เฉยเช่นตอนนี้ท่านสังเทศฟังธรรมท่านก็ได้ปัญญาแล้ว แต่ยังเป็นปัญญาแค่ระดับแค่ได้ยินได้ฟังแล้วถ้าไม่เอาไปพิจารณาไม่เอาไปทบทวนต่อเดี๋ยวก็ลืมได้เดี๋ยวก็ลืมความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วพอเวลาไปเจอความเจ็บความตายก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าใจยังมีความอยากอยู่ยังอยากไม่ตายอยู่ยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยู่ พอเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังั้นเบื้องต้นนี้เราต้องเอาความจริงของชีวิตที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้านี้มาท่ามสอนใจอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วก็เพื่อที่จะน้อมใจให้ค่อยๆ ย, ย, ยอมรับความจริงอันนี้ว่าความไม่มีว่าไม่มีใครในโลกนี้มีที่จะหนีพ้นความ ความแก่ความเจ็บความตายไปได้สอนไปเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะทำให้เราบรรเทาความหวาดกลัวกับความความแก่ความเจ็บความตายไปได้ระดับหนึ่งตอนต้นถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเลยจะกลัวมากเวลาที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแต่พอได้ยินได้ฟังว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติของร่างกายของทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจออย่างแน่นอน มันก็อาจจะทําให้ใจค่อยๆ ย, ยอมรับความจริงอันนี้ได้แต่ยังอาจจะรับแบบร้อยเปอร์เซ็นตไม่ได้เพราะยังมีแรงต่อต้านของกิเลสคือความอยากอยู่กิเลสยังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่การที่เราจะกําจัดหรือหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ได้เราต้องใช้การภาวนาการฝึกสมาธิหรือภาวนานี้ก็คือสมถาภาวนา การทำใจให้สงบนิ่งถ้าเราสามารถทำใจให้สงบนิ่งเฉยๆได้เวลาที่ใจไปเจอเหตุการณ์ต่างๆใจจะไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือที่มาว่าทำไมเราเชาวพุทธเราทำไมต้องมีการสังเทศสังธรรมกันสังเทศสังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วทำไมต้องไปมีการไปปฏิบัติจิตกันทำไมต้องไปเจริญจิตตภาวนาไปนั่งสมาธิกันก็เพื่อที่เราจะได้ มีกูเบกขามีความนิ่งเฉยที่เราจะสามารถใช้เอาใช้ใช้ปัญญานี้มาห้ามใจไม่ให้ไปเกิดความอยากต่างๆได้ดังนั้นเมื่อเราได้มีปัญญาแล้วรู้แล้วว่ า, าชีวิตของเรานี้จะต้องมีวันสิ้นสุดลงจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่อยากจะทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องไปฝึกจิตกันไปภาวนา ไปทําจิตให้นิ่งให้เฉยให้ได้เพราะตอนนี้ถ้าเรายังไม่เคยฝึกจิตนี้จิตเราจะไม่อยู่นิ่งเฉยเลยเวลาพบปากกับอะไรต่างๆนี้จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้อยู่เฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยไม่ได้พอได้พอได้ยินได้ฟังเสียงไม่ดีก็อยากใครด่าก็อยากจะให้ให้ให้เขาหยุดด่าให้อย่าให้เขามาว่าเรา ทำไมก็ทำไมเราอยู่เฉยๆไม่ได้กันเขาจะด่าก็ปากของเขาและห้ามเขาได้ที่ไหนเขาอยากจะด่าก็ปล่อยเ้ดาด่าไปเขาอยากจะชมก็ปล่อยเขาชมไปมันไม่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยเราไปยุ่งกับเขาเองต่างหเพราะใจเราไม่เคยเฉย ไม่เคยนิ่งเฉยถ้ามีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้แล้วพอไปตอบโต้ก็เกิดอาการไม่สบายใจขึ้นมาต่างๆนั้นาดั<ม>งนั้นเราต้องมาฝึกจิตกันให้รู้จักนิ่งเฉยให้อยู่เฉยๆให้เป็นการที่จะทําให้ใจของเราให้อยู่นิ่งเฉยเราก็ต้องเข้าสมาธิให้ได้การจะเข้าสมาธิเราก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ และการที่เราจะหยุดความคิดนี้เราก็ต้องมีมีมสติมาคอยระ ง, งับความคิดความคิดจะหยุดได้ต่อเมื่อเรามีสติและการที่เราจะมีสติได้นี้เราก็จะต้องมีการฝึกฝนอบรมมีการเจริญกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะมาใช้ในการสร้างสติให้หยุดความคิดเช่น เช่นเราใช้พุทธานุสตินี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งพุทธานุสติก็คือให้เราล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเราก็สามารถล้ำลึกแบบพิศดารหรือแบบย่อ ก, ก็ได้แบบพิศดารเราก็สวดบทอิติปิโสอิติปิโสพระกวาลังสัมมาสัมพุทโธสวดไปเรื่อยๆสวดแล้วสวดอกีกสวดหลายๆรอบสวดไปเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าเราต้องการใช้แบบยอ่อเราก็ใช้คำใช้คําว่าพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าเราไม่อยากจะให้ใจเราคิดฟุง้งซ่านคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้พุทโธพุทโธไปเราสามารถใช้การเจริญพุทโธได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียว ถ้าเรามาทำตอนที่เรานั่งสมาธิเพียง อ, อย่างเดียวกำลังมันจะมีน้อยกำลังของสติจะมีน้อยจะทำให้ใจนิ่งสงบเข้าสมาธิไม่ได้ถ้าอยากจะให้ใจมีอยากจะให้มีสติมีกำลังมากเราต้องฝึกสติทั้งวันเลยเอาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอเราตื่นขึ้นมาเริ่มต้นวันใหม่เราขอให้เราเริ่มต้นด้วยการตั้งสติก่อนเลยพุทโธขึ้นมาเลยพุทโธพุทโธ แล้วก็ไปทำอะไรก็พุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจเดยคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วก็ทำให้ใจมีความรู้สึกโลภโกรธหลงขึ้นมาสู้ทำใจให้ว่างดีกว่าการปราศจากความคิดนี้จะทำให้ใจเราเย็นทาให้ใจเราสบายจะทาให้ใจเราโปรง่งมีความสุข ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิเพียงแต่สามารถควบคุมความคิดหรือลดความคิดต่างๆให้มันน้อยลงไปได้ความคิดน้อยลงมากเท่าไหร่ใจก็จะเย็นมากขึ้นเท่านั้นมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนี่เราต้องฝึกสติก่อนนะแล้วพอเรามีเวลาว่างที่จะมานั่งสมาธิได้เราก็นั่งหลับตาตั้งตัวให้ตรงจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้หรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้แล้วแต่ความถนัด แต่การนั่งในท่าขัศมะนี้จะนั่งได้นานกว่าในการท่าอื่นจะนั่งสบายกว่าแต่ถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้ไปก่อนก็ได้เป้าหมายก็คือเพื่อทำเพื่อทำใจให้นิ่งให้หยุดความคิดท่านั่งนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเท่ากับการมีสติไว้คอยควบคุมความคิดให้หยุดความคิดให้ได้พยายาม ท่องพุโทโธพุโทโธไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเลยถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธินี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายจะไม่มีอุปสรรคต่างๆถ้าถ้าไม่มีสตินี้จะมีอุปสรรคมากนั่งแล้วก็จะฟุ้งซ่านนั่งแล้วจะเกิดรู้สึกอาการอึดอัดรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้ มีปัญหาร้อยแปดประการปรากฏขึ้นมาเพราะใจไม่นิ่งพอไม่มีสติที่จะนิ่งพออะไรนิดอะไรหน่อย ก, ก็เป็นปัญหาขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกสติมามากเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เกิดนั่งแล้วจะรู้สึกสบายนั่งได้นานและสงบได้ง่ายได้เร็วอันนี้คือเคล็ดลับของการที่จะนั่งแล้วทำให้เกิดผลขึ้นมาจากการทา ในการนั่งสมาธิเป้าหมายของการนั่งสมาธิก็เพื่อใช้จิตนิ่งสงบหยุดชิดปรุงแต่งแล้วก็เกิดความสุขที่มหาสัจจใจความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เรียกว่านัตถิสันติบาลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อเราได้ความสุขระดับนี้แล้ว มันจะทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้การที่เรายัางยึดติดร่างกายอยู่ก็เพราะว่าเรายัางต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราต้องใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปทาอะไรต่างๆแต่พอเรามีความสุขจากการทาจิตให้สงบเป็นสมาธิได้แล้วความสําคัญของร่างกายก็จะหายไปไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีร่างกายก็ได้ เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายและมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายเมื่อเราได้รับความสุขอันนี้แล้วการที่เราจะไปพึ่งพาสายร่างกายก็จะไม่มีเมื่อเราไม่มีความจำเป็นที่จะพึ่งพาสายเราก็จะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย <c oughs> มันจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็เหมือนกัน มันแก่หรือไม่แก่เจ็บหรือไม่เจ็บตายหรือไม่ตายมันเหมือนกันเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยากที่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่สร้างความทุกข์ให้กับเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นมาเพราะว่าเราสามารถอยู่ได้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายนั้นเองอันนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญถ้ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีความสุขที่ได้รับจากความสงบนี้ ใจยังต้องอาศัยตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อพาไปเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผธภพชนิดต่างๆอยู่เมื่อยังต้องเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรส ผ, ผ, ผ่านตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องอยากจะให้ร่างกายนี้แข็งแรงอยากให้ร่างกายไม่แก่อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายไม่ตายนั่นเอง <c oughs> เพราะเวลาที่ร่างกายมันแก่เจ็บตายนี้เราจะไม่สามารถหาความสุขได้ เมื่อเราไม่มีไม่สามารถหาความสุขได้ใจเราก็จะเครียดใจเราก็จะทุกข์กันนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถมาฝึกจิตทําจิตให้นิ่งสงบให้ได้ <c oughs> ด้วยการเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับมาแล้วก็มานั่งสมาธิให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามหาเวลาให้กับการนั่งสมาธิหาเวลากับการฝึกสติให้มากๆวันไหนที่ไม่ต้องทํางานก็อย่ า, อาไปเที่ยวอย่าไปทําอะไร เอาวันหยุดนี้มาเป็นวันที่มาสร้างสติสร้างสมาธิกันจะดีกว่ามาสร้างความสุขทางใจ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ลดการพึ่งพาสายร่างกาย <c oughs> ถ้าเราสามารถมีความสุขจากทางใจได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายเมื่อเราไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> แต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่เรายังไม่มีความสุขทางใจอยู่ เราก็ต้องพึ่งร่างกายเมื่อเราต้องพึ่งร่างกายเราก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายพอเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราก็จะทุกข์ขึ้นมานั่นเองนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะสามารถา <c oughs> ใช้ปัญญามาสอนใจไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ก็คือเราต้องหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ขึ้นมาก่อนถ้าใจเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว <c oughs> ใจของเราก็จะไม่ต้องพึ่งพาร่างกายอกต่อไปเมื่อไม่ต้องพึ่งพาร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายใจก็ไม่สนใจไม่เดือดร้อนแล้วก็รู้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บมันต้องแก่เป็นธรรมดาห้ามมันไม่ได้ แต่ใจเหล่านี้ไม่ไปทุกข์กับมันได้เพราะเราไม่ต้องไปอาศัยร่างกายแล้วเพราะเราสามารถมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายได้มีความสุขที่เกิดจากการเข้าสมาธินี่ฝึกสติเพื่อให้เวลานั่งสมาธิใจจะได้เข้าสูขข่ความสงบเวลาทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขแทนที่เราจะไปใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มเราก็มานั่งสมาธิกันแทนใช้สมาธิ เพื่อทําใจให้สงบเราสามารถทําสมาธิได้ทุกเวลาทุกสภาพของร่างกายเวลาร่างกายแก่ก็ทําสมาธิได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงเราก็ทําสมาธิได้เวลาร่างกายจะตายเราก็ทําสมาธิได้อันนี้แหละเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์สุขเป็นที่ที่สำคัญที่พวกเรายังไม่มีกันถ้าเรายังไม่ได้ฝึกสติยังไม่ไนั่งสมาธิ เราจะไม่ได้เจอกับความสุขอันนี้เมื่อเราไม่ได้เจอกับความสุขอันนี้เราก็จะต้องอาศัายความสุขผ่านทางร่างกายแล้วพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะทุกข์เราก็จะไม่สบายใจกันขึ้นมานี่คือปัญหาของพวกเราเรายัางอาศัายร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขแทนที่จะหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกเลิ้กาย ไอ้เรามาหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบกันเมื่อใจเราสงบมีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายเมื่อเราไม่พึ่งร่างกายแล้วเราก็ไม่ทุกเวลาที่ร่างกายเป็นอะไร <c oughs> นี่คือการมีปัญญาขั้นขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าภาวนามายะปัญญา <c oughs> เราเราจะมีใจที่นิ่งสงบและยอมรับกับความจริงของ ของร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายก็จะไม่ทุกข์กับมันใจเวลาอยู่ก็ไม่ทุกข์เวลาจะตายก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเรายังพึ่งร่างกายอยู่เรายังไม่มีปัญญายังไม่มีภาวนามย์ปัญญาอยู่เราจะคอยวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรหรือไม่จะเป็นมะเร็งหรือเปล่าจะเป็นโรคนะั้นโรคนี้หรือเปล่าจะตายด้วยเหตุอันใดนี่มันคอยมีเรื่องให้เราคอยวิตกกังวลอยู่เรื่อย เพราะความอยากอยู่อยากไม่ตายนี่เองเพราะยังต้องพึ่งร่างกายอยู่แต่พอเราไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วเรื่องความวิตกกังวลเกี่ยวกับร่างกายนี้มันจะไม่มีในใจของเราร่างกายมันจะตายเมื่อไหร่ก็พร้อมให้มันตายได้มันจะแก่เมื่อไหร่มันจะเจ็บเมื่อไหร่ก็พร้อมให้มันเป็นไปได้ใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันนี่คือเรื่องของปัญญาขั้นที่สามที่จะตามขั้นที่สองและขั้นที่หนึ่งมา ขั้นที่หนึ่งก็ต้องไปเรียนรู้จากผู้รู้คือพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวก่อนเรื่องสัจ ธ, ธ, ธรรมความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรานี้เป็นยังไงเป็นอนิจจังหรือเป็นนิจจัง <S <S เป็นถาวรหรือไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวหรือเป็นของของถาวรถ้าเป็นของชั่วคราวเราก็ต้องยอมรับมันว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราก็ต้องมาฝึกฝนมาพัฒสอนใจไม่ให้ลืมความจริงอันนี้ และเพื่อที่จะยอมรับแล้วก็ไปเตรียมตัวเตรียมใจด้วยการทําใจให้นิ่งสงบเมื่อใจเรานิ่งสงบแล้วเราก็จะรับกับควา ม, วามแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องราวของปัญญาสามขั้นที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปูราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกะปติอ an ิทิตังปทิต um ังตุมหังกิปเมวะสมิจัตุสาเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปันาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิติขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทธานิจังวุฒาปจายโน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 หรือถ้ามีมือถือก็ส่งมาทางเพจทาง YouTube วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่คะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุตจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติห้าร้อยห้าสิบสาท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สา9ร o อยสิบเก้ายูทูปด็อร์ีหกิบวิทยุออนไลน์สิบสองคับเฮาเก้านาคุดหนึ่งร้อยสี่สิบห้ารวมทั้งหมดหนึ่งพหนึ่งอสองท่านค่ะ เชิญถางได้คําำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะจะขอโอกาสสอบถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าการปฏิบัติสมาธิสมัยก่อนปฏิบัติตอนกลางวันแล้วก็ตอนช่วงหกโมงเย็นถึงจนถึงสองทุ่มจนสงบแต่เดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้เลย แต่เดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้เลยอาการแบบนี้เป็นอย่างไรเจ้าคะก็ไม่ทำต่อเนื่องมันก็ไม่ได้ทำแล้วหยุดหยุดแล้วทำก็ต้องทาต่อเนื่องทาเรื่อยๆต้องทำให้มันเป็นนิสัยมันก็จะได้ทำให้มากๆทำน้อยมันก็ไม่ได้ คำถามจากทาง Facebook ค่ะผมนั่งสมาธิแล้วจิตไม่ค่อยสงบแต่ผมสมมุติว่าตัวเองตายแล้วจิตก็ไม่ยึดติดกับอะไรจิตก็สงบมากขึ้นแบบนี้ได้ไหมครับได้เรียกว่าใช้มอ น, นุสติใช้ความตายระ ล, ลึกถึงความตาย <c oughs> ใจมันก็จะสงบได้เวลามันนึกถึงความตายขึ้นมา การฉีดบอท็อกหรือการเสริมความงามถือว่าเป็นการละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งไม่ได้ใช่หรือเปล่าคะใช่ยังติดยังติดร่างกายความสวยงามของร่างกายคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ผมพยายามรักษาศินแปดมีบางครั้งตอนเย็นเมื่อร่างกายหิวเห็นโทสะเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตไม่มีสมาธิขอคำชี้แนะพระอาจารย์ในการจัดการเรื่องนี้ครับก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งสมาธิเราควรเจริญสติอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ราก็เริ่มพุโทโธพุโทโธไป คอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิด คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะปกติภาวนาโดยการดูลมหายใจระยะหลังรู้สึกถึงหัวใจเต้นโดยเปลี่ยนมาจากดูลมมาดูหัวใจเต้นพอรู้สึกตัวก็พยายามกลับมาดูลมต่อแต่สักพักรู้สึกถึงหัวใจเต้นอีกกลับไปมากลับขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะอย่าไปสนใจเรื่องหัวใจเต้นให้เราอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียว <c oughs> คำถามจากทางเฟ e b ุ๊ k พระอาจารย์สุชาติค่ะเป็นโรคซึมเศร้าจะปฏิบัติทำอย่างไรให้หายได้คะทำใจให้สงบแล้วใจก็จะหายซึมเศร้าพยายามฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆห ย, ย, ยุดคิดหยุดอยากความซึมเศร้าเกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็เกิดอาการเศร้าขึ้นมาถ้าผิดหวังมากๆก็เกิดอาการซึมเศร้าเนาะ เอาเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบนั่งสมาธิยังไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนฝึกสติฝึกพุทธโธไปก่อน <c oughs> แล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วความซึมเศร้าต่างๆก็จะหายไปตอนนี้ยังไม่มีคำถามยังไม่มีคำถามเลย ใจเรามันมีความอยากอยู่ตลอดเวลาอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากจะไปนั่นอยากจะมานี่พอไม่ได้ทําตามความอยากก็เกิดอาการเศร้าขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้ทําใจให้นิ่งได้อาการความอยากก็จะหยุดชั่วคราวแล้วความซึมเศร้า ก, ก็จะหายไปความผองใสความสงบความสุขก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่ การฝึกสติการนั่งสมาธินี่เป็นวิธีการหาความสุขที่ดีที่สุด ข, ขออนุญาตถามเจ้าค่ะปกติหนูจะนั่งสมาธิแล้วก็ เ, เดินจงกรมสลับกันเวลานั่งสมาธิเวลาไม่มีกำลังหรือว่าง่วงเหงาหาวนอนอเี่ยจ้าค่ะก็เลยมีคาถามว่าถ้าเวลาเดินจงกรมแล้ว เราเหมือนเปลี่ยนจากนั่งสมาธิไปเดินจงกรมแล้วถ้าเดินจงกรมแล้วเหมือนมีกำลังค่อนข้างดีควรจะกลับมานั่งสมาธิเลยไหมหรือว่าควรจะเดินจงกรมต่อจนกว่ากำลังจะค่อนลงเจ้าค่ะก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ันไหนมันดีเราก็ทําอย่างนั้นไปไม่ไม่ไมมมจําเป็น ต, ต้องตายตัวว่าสมาธิกี่นาทีเดินจงกรมกี่นาทีถ้าเดินจงกรมแล้วใจมันเย็นสบายมีสติก็เดินไปนานๆเดินจนกว่าจะเดินไม่ไหวก็รับให้กลับมานั่งก็ได้ <c ười> งันขอสอบถามอาการของเดินทงกลมที่เคยเกิดเราก็ไม่มั่นใจว่าถูกหรือผิดเจ้าค่ะเหมือนเดินแล้วปกติส่วนใหญ่ก็อาจจะพอแยกกายกับจิตได้บ้างแต่ว่ามันจะมีบางสภาวะที่มันสามารถแยกได้ละเอียดเหมือนกายมันแยกออกมาเวทนาที่เดินเหมือนความเจ็บปวดจากการเดินมันมันแยกออกมาเป็นคนละส่วนรู้เหมือนเห็นว่าอาการความคิดของเราที่เกิดขึ้นบางครั้งมันมันออกมาเป็นอีกก้อนหนึ่งแล้วก็เห็นว่า ตรวจเมันตัวรู้สิ่งที่อาการที่เรารู้นั้นเหมือนมันก็เป็นอีกก้อนหนึ่งแล้วซึ่งมันทั้งหมดทั้งมวลคือมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเราก็เหมือนเห็นว่านั้นแม้แม้แม้กระทั่งอาการรู้นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเลยเหมือนไม่เห็นเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอันนี้มันมันเกิดขึ้นเองถูกถูกต้องได้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็มันอยู่ที่ว่าถ้าเรารู้แล้วเราปล่อยวางได้หรือเปล่าถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ก็ยังเป็นความรู้ไม่จริง ถ้าเป็นความรู้จริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเรากปล่อยมันปล่อยมันได้ไม่ทุกข์กับมันได้ก็ก็ดีรู้แล้วต้องปล่อยวางให้ได้ตามความที่เรารู้ณตอนนั้นคือหนูอยู่กับมันจนกระทั่งก็จนกระทั่งมันหายไปแล้วเหมือนแล้วค่อยมาพิจารณาว่ามันเกิดดับเป็นคือเวล า, าเดินโยมความจริ ง, รง <ๆ S 2> ไม่ควรที่จะไปสนใจอะไรให้สนใจอยู่กับกับสติตอนนั้นเองให้อยู่กับ ถ้าหรืออยู่กับพุโทโธไปอย่างอื่นไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับมันตอนนี้ถ้ามันเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปรับรู้มันมาแล้วก็ผ่านไปเจ้าค่ะงั้นข อ, ขออีกคำถามแล้วค่ะ เ, เวลาสู้กับเบธานาเจ้าค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะรู้มรู้อาการของเวทนาแล้วก็เวทนาไม่ได้หายอยู่กับมันแล้วก็เกิดดับเกิดดับอยู่กับมันได้เอมันมีบางสภาวะที่เวทนามันดับแต่ว่าอาการเหมือนความคิดเราเกิดขึ้นได้แม้ว่าเวทนานะมันจะดับอยู่อันนี้มันไม่ไม่ได้มันมันเกิดขึ้นหมายถึง ตัวสมาธิแต่ว่ามันเหมือนเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแล้วเราก็กลับมาอยู่กับสมาธิต่ออันนี้มันเรียกว่าเราเข้าเข้าสมาธิได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะถ้าจิตแล้วนิ่งสงบก็เป็นสมาธิก็เข้าสมาธิเจ้าค่ะเข้าสู่ความว่างความสงบความเย็นได้ก็เป็นสมาธิแต่ว่าความคิดมันก็เกิดแวบขึ้นมาได้ก็ถ้าเกิดก็แสดงว่ามันก็เริ่มออกจากสมาธิแล้วก็ต้องให้มันหยุดความคิดอย่าให้มันคิดให้มันรู้เฉย จเราจะค่ะกลับขอบพระคุณนอจารย์ค่ะคำถามจากทาง y u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเคยนั่งสมาธิตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสามพอจะออกจากสมาธิรู้สึกเหมือนตัวไม่ได้อยู่กับพื้นออกจากสมาธิเหมือนมันหล่นลงมาแบบนี้ถือว่าเป็นอาการใดครับพระอาจารย์ก็เป็นอาการของจิตเนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นของชัว่วคราว เป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ต้องไปให้ความสำคัญอะไรกับมันรู้แล้วก็ปล่อยวางคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะเพื่อให้สามารถรับความเห็นผิดในกายได้หากท่องทาดกรรมฐานสี่และบทพิจารณากายเพิ่มตอนสวดมนต์จะเหมาะสมหรือไม่ครับไมว่าหมายได้ เพื่อให้สามารถละความเห็นผิดในกายได้หากท่องธาตุกรรมฐานสี่นะบทพิจารณากายเพิ่มตอนสวดมนต์จะเหมาะสมหรือไม่ครับไม่เข้าใจนะ ไ, ไหนถามใหม่ทีเหมือนกับเขาจะท่องท่องบทพอสวดมนต์สวดมนต์เสร็จจะท่องกรรมฐานสี่ท่องธาตุท่องบทพิจารณากายกรรมฐานสี่เป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ <c oughs> สติประธานสี่โนคิดว่อไปเดาคําถามเขียนมาใหม่ดี่กว่าคำประธานสี่เพิ่งได้ยินวันนี้มีแต่กรรมฐานห้าคำรมฐานห้าก็คือผมขนเล็บปันหนังนีนี่รมฐานห้าอาการห้าอย่างของร่างกายคําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ มาตรวัดในมาตรวัดในความเจริญภาวนาทางธรรมคืออุเบกขาและสติสัมปชัญญะใช่หรือไม่ครับใช่ถ้ามีสติสัมปชัญญะมันก็จะมีอุเบกขาสติเป็นเหตุอุเบกขาเป็นผล <c oughs> คำถามจากทางเฟซบุกค่ะพอนั่งสมาธิกำลังจะเข้าสมาธิได้เหมือนเมื่อก่อนรู้สึกตื่นเต้นสมาธิเลยถอนออกแก้ไขอย่างไรครับ ก็อย่าไปตื่นเต้นแต่ให้รู้เฉยๆก็ให้มีสติอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมไปหรือให้มีสติอยู่กับรูก้การรู้เฉยๆอย่าไปมีการตื่นเต้นใหม่ๆมันก็อาจจะเกิดได้ก็ไม่เป็นไรครั้งต่อไปเราก็พยายามทําใจให้เฉยๆให้รู้เฉยๆไปหมดแล้วเหรอยังไม่มีคําถามโอเคหมดแล้วก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อน